เป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธิคือการควบคุมจิตให้ปล่อยวางกับทุกสิ่งใช่หรือไม่หรือหมายถึงความสามารถของจิตในการมีสติตั้งรับการถูกขัดสะที่มากระทบเจ้าค่ะคือเป้าหมายการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือรู้ความจริงและปล่อยวางจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรคือพอจิตมันละเอียดเข้าไปสมาธิมันลึกซึ้งเข้าไปในตัวสมาธินี้มันมีพลังของจิต จิตมีพลังจนกระทั่งอะไรผ่านมาเห็นรู้สึกได้ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปจิตยังนิ่งอยู่ยังเฉยอยู่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วจิตตัวนี้มันก็จะรู้สึกว่าอาการปล่อยวางแบบเนี้ยมันสบายจริงๆมันไม่ผลต่อเราเลยผ่านมาผ่านไปพอในชีวิตประจำวันถ้านเราทำได้มันก็สบายอีกเนี่ยเห็นไหมเป็นพิสูจนได้ด้วยเอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้โอ้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกธรรมชาติของชีวิตสรรพสิ่งธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายคือปัญญาอะไรมันจะต้องรวมกันเข้ามาตกผลึกอยู่ในจิตของเราจนกระทั่งมันให้ผลเรารู้รู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละโลกเราทั้งโลกเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าความรู้มันก็ต้องหลบรู้ในตัวเองว่าไม่มีเราแล้วก็รู้โลกด้วยในสมมติโลกสมมติอันนี้คืออะไรกัน มองมนุษย์ก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งเข้าใจไหมบางชาติบางภพภูมิก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้คนเราที่นั่งอยู่นี่เคยเกิดมิตรเดรัจฉานมาจริงไหมนี่นี่มันมันเข้าใจมันแบบนี้ยมองเห็นคนก็คือมองเห็นธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะสัพสงจ่ะเคลื่อนไหวไปมาวิ่งนู่นวิ่ ง, ง, งนี่ตาลีตาเหลือ ก, ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นแบบนี้มันเข้าใจธรรมชาติแบบนี้ มันก็เฉยๆอ่ะเออก็ธรรมดาเนาะเราก็เหมือนกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์บทบาทของเราก็ต้องอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าใจธรรมแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาไม่มีทุกข์ด้วยคือสงสารเพื่อนมนุษย์เนไงเพราะอะไรเพราะเรามาเกิดในแดนมนุษย์ในเมื่อมันมีสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่มันคุณค่าต่อชีวิตก็อยากหยิบยื่นให้ไป ถ้าใครรับได้ก็รับไปรับไม่ไดม้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนนั้นหรือจะเรียกว่ากรรมก็ใช่จะเรียกบุญบา ร, รมีก็ใช่เนี่ยแต่ถ้าใครฉลาดเชื่อตามพระเจ้าก็ตอนนี้ละ่ะเป็นโอกาสแล้วคำสอนของพระเจ้ามีแล้วเราเชื่อด้วยพระเจ้านี่ตัดสู้จริงดับทุกข์ได้จริง แล้วก็มีผู้บรรลุตามจริงแสดงว่าคำสอนเจ้านี้ได้ผลจริงอดีตก็มีบรรลุตามปัจจุบันก็บรรลุตามถึงไม่พ้นทุกมีทั้งสกทามีทั้งพระโสดาสกทาอนาคาจนถึงพระหลานหรืออย่างน้อยคนปฏิบัติเป็นผู้ตุชนดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคือทางเดินของคำสอนของพระเจ้าผู้ปฏิบัตนินี้จะต้องพัฒนาทุกด้านให้ตัวเองดีขึ้นเข้าใจไห มันจึงจะดีขึ้นมันทึงจะก่อเสริฐขึ้นความประพฤติการกระทำความคิดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดใหม่ความคิดความเห็นที่มันทำให้เราเป็นทุกข์มันไม่ตรงกับความจริงเราต้องไปศึกษาคำสอนพระเจ้าเพื่อให้เห็นให้รู้ซึงถึงความจริงรับเอาความคาสอนเจ้ามาเป็นความคิดของเราพิจารณาแล้วเป็นความเห็นของเราคราวนี้อะไรเกิดขึ้น ความเห็นมันจะตรงกับความเห็นของผู้เช่วตรงกับความจริงทุกก็น้อยลงไปแล้วแต่เราก็สนใจอะไรมากอะ่ะศึกษาอะไรก็ไม่รู้เ น, นี่ยโอ้โหนี่แสดงว่าชำนาญมากขวเรละอเลยเพราะทำแค่นี้เองยังไม่พูดอะไรด้วยก็แอบทำเหมือนกันถึงได้รู้